สิ a, ่งท่ผ เอาโอ้ยจะปักได้ยังไม่ที่หลักปวดจะมัเยน็นเช้ากันเถื่อนโทรศัพท์ก็จะหลับตอนเชา้าโลกจะมาตอบชัดนะตอนฉันกำนงงลังเหงาแต่แทนั้นแดนไม่ตอบจะไม่ทัก ่ฉันคนนี้จะไม่เอาแต่ใจจะหากว่าจะหายไปตอนนี้ฉันก็ทนไม่ไหวอยากีเชื่อใครที่ว่าฉันเจ้าชู้จะเอาเวลาไหนไปน่าใจทำไมรู้เธอน่าจะเชื่อใจ อ, อัุกูล า, าไปยงให้รู้ว่าช็อกโกแลตเลตจเพืจจ่อเจอจังทุกอย่างแค่เฉพาะคนลักมีเถ้นเจอมาเคียมคู่รักแค่มีที่อยากพูดถ้าวันไหนไม่เห็นหน้าฉันคงต้องเศร้าถามว่ารักเจอมากแค่ไหนมากกว่าคนอื่นเป็นพันเท่า I'm t e man of the l a Not o n t in the i n